มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นการเสริมศิริมมงคลแก่ชีวิตในพระบาลีท่านแสดงว่ากาเลทธรรมะสวนัมเอตัมมังกลมุตรมมังการฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งการชีวิตเพราะการฟังธรรมนี้จะได้อนิสงส์จะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ส, สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป 3. ทำให้จิตใจมีความเบิกบานมีความสงบผ่องใสสี่ขจัดความสงสัยให้หมดไปได้ห้าทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี่คืออานิสงหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจะมีคุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเรา เพราะเราจะได้มีความสุขและเราจะได้เดินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกที่ควรไม่ต้องสงสัยไม่ต้องโรแวงว่าทำผิดหรือทาถูกอย่างไรในในเบื้องต้นข้อแรกท่านตัดไว้ว่าจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยินได้ฟังเพราะในชีวิตของเรานั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของทางโลก เป็นเรื่องของการแสวงหาลาบยศเสริญสุขเป็นเรื่องของการหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาสถานที่เที่ยวต่างๆเหล่านี้เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมะเท่าไหร่เช่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรม เรื่องของการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือได้บรรลุถึงพระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่โดยธรรมดาแล้วเราจะไม่ได้ยินได้ฟังกันเพราะคนในโลกเป็นเหมือนคนตาบอดเป็นคนที่ไม่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้จึงไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเช่นมีบาปมีบุญจริงหรือไม่ มีนรกมีสวรรค์จริงหรือไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดจริงหรือไม่มีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจริงหรือไม่มีพระนิพพานจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้มักจะไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่มีใครมีดวงตาเห็นธรรมไม่มีตาในที่จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะ ถ้าใช้ตานอกใช้ตาเนื้ออย่างเดียวจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าที่ตาเนื้อจะมองเห็นได้เหมือนกับเชื้อโรคที่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเราเราต้องใช้กล้องขยายกล้องจุลทรรศเราถึงจะเห็นเชื้อโรคที่ตัวมันเล็กมากได้ฉันใด บาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่ละเอียดมากกว่าที่ตาของเราจะมองเห็นได้เราต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยการภาวนาซึ่งเป็นเหมือนกับการใช้กล้องขยายเวลาเรานั่งทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เห็นมาก่อนภายในใจของเรา และเราจะรู้ด้วยปัญญาว่าเป็นอย่างไรเป็นอะไรบ้างปัญญาส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้ามาจากพระาอาริยสงสารุปนั่นเองเช่นท่านบอกว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปนี่ท่านก็หมายถึงเหตุ การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราคิดทําร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราพูดเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นแล้วก็ทำด้วยการกระทาให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเช่นเราไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่น ไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นไปพูดปดโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้ถ้าเราทำแล้วนี่แหละคือว่าบาปแปลว่าคำว่าบาปส่วนผลของบาปคืออะไรก็คือนรกคำว่านรกนี้ไม่ได้หมายถึงสถานที่นรกนี้ไม่ไม่ใช่สถานที่เหมือนกรุงเทพ เหมือนพัทยาเหมือนเหมือนเมืองนอกนรกนี้มันเป็นสถานภาพของใจเราคือใจเรารุ่มร้อนด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจความหวาดกลัวเหล่านี้ทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจนี่คือนรกนรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่เรา ได้ยินได้ฟังกันเช่นก็บอกว่านรกนั้นอยู่ข้างอยู่ข้างล่างสวรรค์อยู่ข้างบนต่อให้ขุดดินลงไปเลิกขนาดไหนจนกระทั่งทะลุไปอีกด้านหนึ่งของโลก ก, ก็จะไม่เจอนรกเพราะในพื้นใต้พื้นดินนี้ไม่มีนรกหรือจะนั่งจะลวดเหาะขึ้นไปทางอากาศไปให้ไกลสุดแสนจะไกลก็จะไม่เจอสวรรค์ เพราะสวรรค์ไม่ได้อยู่ข้างบนดังที่เราเข้าใจกันไม่ได้อยู่ข้างล่างแต่สวรรค์และนรกนี้อยู่ในใจของเราเป็นสภาพจิตใจของเราเวลาเราขึ้นสวรรค์ก็คือใจเรามีความสุขมีความสบายนั่นเองเหมือนกับใจได้ติดเครื่องปรับอากาศเวลาเราตกนรกนี่ก็เหมือนกับเวลาที่ใจของเรา มีความรุ่มร้อนเหมือนกำลังมีไฟไหม้เผาใจของเราอยู่นี่คือความหมายของนรกและสวรรค์มันเป็นทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เช่นในตอนนี้เวลาที่เราทำความดีเช่น ว, วันนี้เรามาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีล ใจของเราก็มีความสุขมีความสบายนี่แหละคือสวรรค์ปรากฏขึ้นให้เห็นแล้ว ท, ทันทีส่วนในโกก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปทำการเบียดเบียนผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราก็จะมีความกังวลใจความหวาดกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษเพียงแต่เห็นตำรวจ เท่านั้นใจก็ตกใจแล้วทั้งๆ ท, ที่ตำรวจเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาแต่ตัวเรานั้นเราทำอะไรมาเรารู้เืลอเมื่อทำไปแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจนี่คือนรกหรือสวรรค์ที่มีอยู่ในใจของเราสลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยๆตามการกระทาของเรา และในขณะเดียวกันมันก็ถูกสะสมเข้าไปไว้ในใจทำความดีก็ได้สวรรค์เพิ่มมากขึ้นทำความชั่วทำบาปก็ได้นรกเพิ่มมากขึ้นพอถึงเวลาที่เราตายไปถ้าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นตัวแสดงออกมาเช่นเวลาเราตายไปเกิดเราทำบากไว้มากกว่าทำบุญ นรกมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วทีนี้มันมันจะไม่ได้เป็นเพียงไปเดียวประดาวเหมือนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันจะเป็นไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่ามันจะหมดแรงหมดไฟมันก็จะหยุดเมื่อหยุดแล้วใจของเราก็กลับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสวรรค์ได้เพราะเราก็เคยทำความดีทำบุญมาก่อนในอดีต เพียงแต่ว่ามันแรงไม่มากเท่ากับบาปที่เราทําไว้นรกที่เราสร้างไว้จึงต้องชิดซ้ายไปก่อนเหมือนกับรถยนต์รถที่วิ่งเร็วกว่าต้องไปข้างหน้าก่อนรถที่วิ่งช้าก็ต้องตามหลังไปพอรถข้างหน้าเขาถึงจุดหมายปลายทางแล้วรถที่ตามมาข้างหลังถึงค่อยถึงจุดหมายปลายทางพอนรกนั้นเขาได้แสดง พิของเขาจนหมดไปแล้วก็ถึงคิวของสวรรค์ที่จะแสดงคิวของเขาออกมาก็ทำให้จิตของเราได้ขึ้นสวรรค์และเมื่อหมดแล้วก็ต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่เพื่อจะได้ไปสวรรค์ไปนรกกันใหม่นี่คือชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เราทำทั้งบา ทำทั้งบุญเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเรามักจะทำบาปเวลาที่เรามีความโลภมีความอยากเรามักจะทำบาปแต่เวลาที่เรามีใจที่สบายใจที่สงบไม่โลภไม่โกรธไม่หงุดหงิดลาคาญใจเราก็จะคิดในสิ่งที่ดีเช่น ว, วันนี้เราคิดจะมาทำบุญคิดมาฟังเทศฟังธรรม แล้วก็พาให้เราได้มาทำตามที่เราคิดตอนนี้ใจของเราก็เป็นสวรรค์ถ้าเราพยายามบังคับให้ใจของเราคิดไปในทางนี้อยู่เรื่อยๆแล้วพยายามเบรกหรือพยายามหยุดใจเวลาที่มีอารมณ์ไม่ดีไม่ให้ไปคิดในทางที่ไม่ดีเราก็จะได้ทำแต่บุญไม่ทำบา เมื่อเราทำแต่บุญและไม่ทำบาปแล้วเวลาที่เราตายไปบุญก็จะเป็นตัวนำหน้าบุญก็จะเป็นตัวที่จะพาให้เราไปสู่สวรรค์สวรรค์นี้ก็ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นอยู่ที่ใจนี่แหละเพียงแต่ว่าจะเป็นใจที่มีความสุขไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะหมดบุญแล้วก็กลับมาสร้างบุญใหม่ สร้างบาปใหม่สลับกันไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆหรือถ้าเราสามารถสร้างแต่บุญอย่างเดียวไม่สร้างบาปเลยจนเราสามารถสร้างบุญอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานได้ใจของเราก็จะไม่ต้องไปเป็นอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะเมื่อเราสร้างบุญได้เต็มที่แล้วบุญนี้จะอิ่มอยู่ในใจ จะไม่เสื่อมไม่หายไปจะเป็นบุญที่ทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิอดอีกต่อไปเช่นใจของพระพาาุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวุทั้งหลายท่านทำบุญอย่างเดียวท่านไม่ทำบาปไม่ว่าจะมีการให้ทานท่านก็ให้หมดมีสมบัติข้าวของเงินทองกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นท่านก็ไม่เก็บเอาไว้ พระพุทธเจ้ามีปราสาทสามฤดูมีเงินทองมากมายท่านก็ให้คุดผู้อื่นไปหมดท่านไม่เอาเลยแม้แต่บาทเดียวออกจากวังแล้วก็ไปบวชเป็นนักบวชอยู่แบบนักบวชรักษาสิไม่เบียดเบียนผู้อื่นท่านไม่ทำบาตแล้วนอกจากนั้นท่านยัง สร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ได้จากการให้ทานคือการภาวนาทำจิตใจให้บริสุทธิก็ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี้แหละเป็นสิ่งที่เลิทเศที่สุดที่ประเสฐที่สุดผู้ใดสามารถชำระใจของตนเองให้ สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตากราุณามีแต่ความเสียสละไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้ได้ชําระพระทัยของพระองค์จนสะอาดบริสุทธิ์แล้วพระทัยของพระองค์ก็มีแต่ความอิ่ม มีแต่ความสุขตลอดเวลาจนไม่มีความรู้สึกอยากจะได้อะไรจากใครมีแต่ความเมตตาสงสารที่เห็นสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่ได้ชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหลอกให้ไปโลภไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ซึ่งล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้น ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีความทุกข์เลยได้อะไรมาก็จะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นได้เงินทองมาก็ต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองได้สามีได้ภรรยามาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาคนที่มีความหลงครอบงาอยู่จะมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้เพราะความหลงจะหลอกให้มองใน สิ่งที่ดีอย่างเดียวเช่นให้คิดว่าได้สามีได้ภรรยามาแล้วจะมีความสุขจะไม่อยู่อย่างเศร้าซ้อยหงอยเหงาแต่ไม่รู้ว่าเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาทะเลาะกันมาโกรธกันมาห่วงกันมาหวงกันและดีไม่ดีถ้าไม่ระวังก็มาฆ่ากันเองนี่คือ ความทุกข์ที่เรามักจะมองข้ามไปเราจะมองแต่ว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วเราจะรักกันไปตลอดเราจะมีความสุขกันไปตลอดแต่ลองไปถามคนที่เขาแต่งงานดูแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราไปถามแล้วเราจะได้คําตอบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้าเราเป็นคนฉลาดถ้าเรายังไม่มีคู่ครองเราก็อย่า ให้ความหลงหลอกให้เราไปมีคู่ครองอยู่คนเดียวสบายกว่าหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าความสุขที่แท้จริงนี้มีอยู่ในใจของเราเองไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การทำความดีการทำบุญการไม่ทำบาปอยู่ที่การไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงแม้จะมีอะไรก็มีไปแต่ไม่ยึดไม่ติดไม่ ไม่อาศัยมันเกินความจำเป็นเช่นมีเงินมีทองก็ใช้แต่ในสิ่งที่จำเป็นคือซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อยาซื้อที่อยู่อาศัยพอมีครบแล้วก็ไม่ต้องใช้มันแล้วไม่เอาเงินไปซื้อความสุขเช่นไปซื้อเบียรมาดืมไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินอาหารตามร้านต่างๆ ไปเทีย่ยวทุกแห่งทุกผลในโลกนี้ทําไปจนมันตายก็จะไม่ได้พบกับความสุขในขณะที่ทําก็ต้องวุ่นวายต้องหวาดกลัวเช่นเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ม, มันก็มีภัยต่างๆเดินทางโดยรถยนต์ก็ ม, มีโอกาสประสบอุบัติภัยได้เดินทางโดยเรือยนต์ก็อาจจะเรือเรือล่มเรือจมได้ เดินทางทางอากาศเครื่องบินก็อาจจะตกลงมาได้สู้อยู่ที่บ้านเฉยๆสบายกว่ากลับอยู่กันไม่ได้แสนจะปลอดภัยแต่เพราะถูกความหลงนี้หลอกให้ไปหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขนั่นเองเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่ความหลงนี้จะปิดตาปิดใจไว้ไม่ให้คิดอย่างนั้นให้คิดว่าโอ้ไปเที่ยวแล้วสนุก ได้ขึ้นเครื่องบินได้ไปดืมได้ไปรับประทานในสิ่งต่างๆแต่ไม่เคยคิดว่าคนที่เคขึ้นเครื่องบินแล้วตกไปเป็นอย่างไรบ้างบางคนก็ตายไปบางคนก็พิกลพิการไปตลอดชีวิตนี่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้คิดเพราะความหลงจะคอยควบคุมความคิดของเราไม่ให้เราคิดเรื่องราวเหล่านี้ เราจึงตกนรกกันทั้งเป็นโดยไม่รู้สึกตัวุกขณะเวลาที่เรามีความทุกข์นั่นแหละคือเวลาที่เราตกนรกกันและชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็มักจะตกนรกกันมากกว่าขึ้นสวรรค์กันมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขสร้างสวรรค์หรือรู้ก็ทำไม่ทไม่ไหวทาไม่เก่ง ทำไม่เป็นหรือไม่อยากจะทําพราชอบทำเพราะชอบสร้างนารกมากกว่าเพราะเวลาสร้างนารกนี้รู้สึกว่ามันถึงใจดีเช่นเวลาโกรธแล้วได้ด่าใครได้ทาร้ายใครเวลาอาฆาตพยาบาทแล้วได้ล้างแค้นมันรู้สึกว่ามันสะใจดีมันถูกใจดี แต่ไม่คิดว่าเมื่อทําเขาแล้วเขาจะกลับมาทําเราบ้างเวลาที่เขาทํามาจองร่างจองผลาญเราเรานี่จะตกนรกตลอดเวลาจะหวากลัวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาจะมาทําอะไรเราเมื่อไหร่เวลาใดนี่คือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ที่เราจะได้ยินได้ฟังเมื่อเรามาวัดกัน เมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วเราก็จะหายสงสัยขจัดความสงสัยไปได้ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่บาปบุญมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เมื่อเราไม่มีความสงสัยเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงและเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นกับเราได้ เราสามารถสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นกับเราได้เราสามารถไปพระนิพพานได้เราสามารถอยู่โดยไม่มีความทุกข์ในใจได้ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาป ท, ทั้งปวงและให้ชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือ เหตุที่จะทำให้เรามีสวรรค์อยู่ในใจของเราไปตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันสิ้นสุดดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สัมผัสได้เป็นเจ้าของอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหนพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายไม่ได้หายไปไหน ท่านกำลังเสวยสวรสวรค์ของพระนิพพานความสุขของพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาเพราะใจของท่านนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่แตกไม่ดับเหมือนใจของพวกเราไม่ตายไม่แตกไม่ดับเหมือนกันแต่ใจของพวกเราหลังจากที่ตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็แยกออกจากร่างกายแล้วก็อยู่ตามสภาพของบุญของกรรม ถ้าเป็นวาระของกรรมส่งไปก็อาจจะมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนใจตอนนั้นก็เป็นนรกถ้าส่งให้ไปเกิดในท้องของสุนัขตอนนั้นก็ไปเป็นเดรดัจฉานหรือถ้าใจมีความสงบมีความสุขตอนนั้นใจก็อยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าบุญกรรมที่ได้ทําไว้นั้นมันหมดไป ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่แต่ก็จะเป็นอย่างนี้สลับไปสลับมาอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถสร้างบุญให้ครบทุกส่วนได้กิดนอกจากทำบุญให้ทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์และเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อชำระใจกำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ถ้ายังไม่ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปได้ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละจะเป็นตัวลากให้ใจไปเกิดใหม่ให้ไปเกิดในท้องสุนัขบ้างในท้องคนบ้างให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมบ้างให้ไปตกนรกบ้างอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงนี้ ที่จะพาไปแต่เมื่อได้ชำระจนหมดสิ้นแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยนอยู่ภายในหัวใจที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่นี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถ สร้างให้เกิดขึ้นมาได้เพราะพ่ะพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวโทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนท่านไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กัน ท, ทันทีท่านก็เป็นคนที่มีกิเลสเต็มหัวใจอย่างพวกเราเพียงแต่ท่านเป็นคนที่ขวนขวายสนใจศึกษาอยากจะมีแต่ความสุขจริงๆไม่อยากจะมีความทุกข์เลย ท่านกระทนลองหลายอย่างหลายวิธีจนนายที่สุดก็ได้พบวิธีที่จะทำให้ได้ตามที่ต้องการตอนตอน้นท่านก็ลองใช้แบบพวกเราเวลามีความทุกข์ก็ไปเที่ยวกันเพื่อจะได้หายทุกข์เวลามีความทุกข์ก็ไปซื้อข้าวซื้อของกันไปดูหนังกันไปฟังเพลงกันมันก็ ดับความทุกข์ได้ขณะที่เราไปเที่ยวกันพอเรากลับมาบ้านความทุกข์มันก็รอเราอยู่ที่บ้านเราจรึงไม่ค่อยอยากจะอยู่ที่บ้านกันเพราะกลับมาทีไรก็มักจะเจอความทุกข์รอเราอยู่กันเราก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆไปเท่าไหร่ก็ยังหนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะความทุกข์นี้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวมันจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อเราทาความดีละบา แล้วก็กจาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเท่านั้นถ้าเราไม่ทำทั้งสามส่วนนี้แล้วต่อให้เราทำอะไรก็ตามในโลกนี้จะไปสะเดาะเพราะห์ด้วยการถวายทานก็ดีหรือไปเปลี่ยนทรงผมไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนนามสกุลจากนางสาวให้เป็น นางเนืองจากนางให้เป็นนางสาวมันก็ไม่สามารถที่จะไปกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้เพราะการกระทำต่างๆในโลกนี้ไม่ไปใช่เป็นวิธีที่จะกาจัดความทุกข์นอกจากวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนพวกเรานั่นเองนั่นก็คือทาความดี ความดีก็มีหลายอย่างช่วยเหลือคนอื่นสงเคราะห์คนอื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคารพรักผู้ที่มีพระคุณเช่นพ่อแม่อย่างนี้ดูแลคนที่เขาเดือดร้อนช่วยตัวเขาเองไม่ได้เรียกว่าเป็นความดีความชั่วก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นเราก็อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติิดยน้ ไปพูดบทดมดเทปไปเสพ ย, ยาเมามาอย่าไปทําสิ่งเหล่านี้เพราะมันไม่มีคุณมีประโยชน์มีแต่โทษแล้วก็ต้องตัดความโลภความโกรธความหลงความโลภนี่ออกมาจากความหลงความหลงหลอกให้คิดว่าได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้แล้วจะมีความสุขเมื่อมีความโลภแล้วพอไม่ได้ดังใจก็โกรธ เวลาอยากจะได้อะไรแล้วถูกขัดคอถูกขัดขวางขึ้นมาก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางเช่นขออยากจะไปเที่ยวขออนุญาตแม่ออกไปเที่ยวนอกบ้านแม่บอกอย่าไปเลยอันตรายอยู่บ้านดีกว่า ก, ก็โกรธแม่โกรธพ่อขึ้นมาเพราะความหลงหลอกว่าออกไปเที่ยวแล้วจะมีความสุขแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเรา เราจึงต้องเจริญปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหลงกับอะไรในโลกนี้อย่าไปอยากได้อะไรในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นมีอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดพร้อมที่จะให้มันจากเราไปได้ทุกเวลาแม้แต่ร่างกายนี้ให้มันไปเถิดถ้ามันถึงเวลามันอยากจะไปถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลย ขณะนี้ที่เราทุกกันอยู่เพราะเราหวงเรายังยึดติดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างและยังอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกจึงทำให้เรากโกรธทำให้เราโลภทำให้เราวุ่นวายใจให้เราทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิ้นเราต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอง ส, สอนทำบุญให้ท า, แานแล้วรักษาศีลแล้วก็ต้องสอนใจด้วยปัญญาว่าอย่าไปหลงกับอะไรในโลกนี้ อย่าไปอยางได้อะไรในโลกนี้เพราะโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของการพัดพรากจากกันได้มันมากองเท่าภูเขาสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดได้ร่างกายรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนสักวันก็ต้องแก่ต้องตายไปพอให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่หลงเมื่อไม่หลงก็จะไม่โลก เมื่อไม่โลภ ก, ก็จะไม่โกรธเมื่อไม่โลภ ไ, ไม่โกรธไม่หลงแล้วก็จะอยู่อย่างสุขสบายขวเราะได้ทั้งวันยิ้มได้ทั้งวันทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีทรัพสมบัติเข้าข อ, ของเงินทองแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะใจไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากความหลุดพ้นจากความหลงนี้เองเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอด จึงขอให้เราจงมีความเชื่อต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและขอให้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริม ง, งคลคือความสุขและความเจริญที่จะตามมานั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการบําเพ็ญทาชนิดต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสิริม ง, งคลให้กับชีวิตของเรา เพื่อให้เราได้มีแต่ความสุขและความเจริญไปตลอดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอวิติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนวัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบรรเทนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุข และความเจริญด้วยอายุวร น, นัสุขภาละโดยทั่วหน้ากัน